แนะนำหน่อยดีครับมาเ่เคยมาครั้งแรกคุณหมอมาก่อนเชิญนั่งนั่งให้สบายนะเป็นไงภาวนาสบาอได้ด่รับาอพากษาร่ออรื่ออื าว่เรามีวิธีวิธีเช็คตัวเองง่ายๆนะคุณหมอจิตที่เป็นจิตรู้จริงๆเนี่ยไม่มีน้ำหนักนะคุณหมอลองดูโลกข้างนอกลองดูสนะิโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักอันนี้ดูออกไหมนะใจเรากับโลกข้างนอกเนี่ยเหมือนกันไหมนะมันมีน้ำหนักต่างกันนะ ถ้าความยึดถือเยอะเนี่ยน้ําหนักตรงนี้ก็เยอะมันก็คือทุกข์เยอะนั่นเองนะนี่คุณหมอลองสังเกตต่อไปอีกไอ้นะ้นําหนักที่เกิดขึ้นเนี้ยถ้าเราจงใจปฏิบัติน้ําหนักนี้เยอะถ้าเรารู้โดยไม่จงใจไม่มีน้ําหนักนะนี่มันเป็นเครื่องเครื่องวัดตัวเราเองอย่างง่ายๆเลย <c oughs> <c oughs> เป็นวัดหลายวันนี้การปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเราเราครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละสำนักเนี่ยท่านสอนอุบายนะอุบายคือแท็กติก น, นั่นเองแท็ติกแทคติกเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้สอนแต่ละครูบาอาจารย์ท่านก็ไปพบว่าถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วท่านเจริญ นี้เราเรียนแทคกติกของครูบาอาจารย์แล้วเราลองย้อนดูคําสอนของพระพุทธเจ้านะแทคกติกของครูบาอาจารย์นั้นเพื่อจะต้อนเราเข้ามาสู่คําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะอย่างกายกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาอะไรเนี้ยนะนะถ้าตรงตามคําสอนของท่านจริงๆเนี้ย คือกายกับอนุปัสสนาคือการตามรู้นะการตามรู้กับการดักรู้จ้องรู้ไว้ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะต่างกันโดยสิ้นเชิงครูบาอาจารย์มักจะพาให้เราดักรู้ไว้ก่อนจ้องรู้ไว้ก่อนหรือให้เราสร้างรู้ขยับเพื่อจะสร้างรู้เบื้องหลังของการสร้างรู้ก็นะคือตัณหานั่นเอง ไม่ใช่ตัวอื่นอยากปฏิบัติจงใจพอจงใจสร้างรู้ขึ้นมาทุกเกิดแต่ท่านจำเป็นต้องให้เราไปทำอย่างนั้นก่อนเพื่อให้เราหัดสังเกตตัวสภาวะธรรมรูปธรรมปรากฏรูปธรรมปรากฏให้เรารู้นามาทำปรากฏอย่างสุขทุกข์ดีชั่วปรากฏเพื่อให้เรารู้ นี่ยพอเราหัดรู้ไปเรื่อยๆรืเราจำสภาวธรรมได้แม่นจําสภาวธรรมได้หลากหลายเมื่อใดสภาวธรรมที่เรารู้จักแล้วเนี่ยปรากฏขึ้นมาสติได้เกิดอัตโนมัติรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้จริงเนี่ยสิ่งจะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราดูคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เราตามรู้กายํารู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรม ไม่ได้ให้เราจ้องไว้ก่อนไม่ให้เราทำจังหวะไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแค่ว่าเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันว่าอ้เผลอแล้วสภาวะรู้ก็จะเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นทีนี้นฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยวิธีจะให้สติเกิดบ่อยเนี่ยคือเราหัดทำความเข้าใจทำความรู้จัก ตัวสภาวธรรมที่มินมีอยู่หลากหลายสภาวธรรมนี้เราเรียนได้ด้วยสองวิธีวิธีของปริยัติกับวิธีของปฏิบัติวิธีปริยัติเนี่ยเองที่อาพิธรรมเขาเรียนกันเขาเรียนถึงสภาวธรรมเจ็ดสบสองอย่างเรียนเจ็ดสิบสองอย่างคือจิตหนึ่งอย่าง จิตที่ว่ามีแปดสิเก้าดวงร้อยี่สิบเอดวงเนี่ยพอพูดถึงสภาวะของจิตเนี่ยมีเดียกอันเดียวก็คือธรรมชาติรู้นั่นเองจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์หรือที่เรียกว่าตัวรู้นั่นเองเขาเรียนถึงเจตสิกห้าสิบสองตัวเรียนถึงรูปรูปในอภิธรรมมียี่สิบแปดรูปแต่เป็นรูปจริงๆอ่ะสิบแปดรูปเป็นรูปที่ไม่จริงเนี่ย อยู่สิรูปเขาเรียนแค่รูปที่จริงๆสิบแปดรูปแล้วก็นิพพานอีกหนึ่งรวมเป็นเจ็ดสิบสองแต่พวกเรานักปฏิบัติแต่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมีวิธีเรียนอีกอย่างหนึ่งก็ <S <S คือสภาวะธรรมอะไรปรากฏขึ้นให้รู้สภาวะธรรมนนั้นไปเลยง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นการไหวการนิ่งของกายเรารู้อยู่เท่านี้ก็ได้ กายไหวรู้สึกตัวหยุดรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวขยับรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ต้องเรียนรูปอะไรที่มากมายเราเรียนรูปไม่กี่รูปก็พอเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนรูปคู่รูปเหียดเื่อที่โลกงพ่อเตียนสอนนี่คือเรื่องคู่เรื่องเหยียดนั่นเองเราเรียนเรื่องเวทนา เวทนาก็เรียนแค่ห้าตัวพอนะความสุขทางกายความทุกข์ทางกายนะความสุขทางใจความทุกข์ทางใจความเฉยๆทางใจมีอยู่ห้าอย่างเราไม่ต้องเรียนมากมายนะจิตตสังขาร น, นะนะจิตตานุป ส, สนานี่เราเรียนแค่แปดตัวก็พอนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคา นะไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคาในราคาพูยนะโทสะมีโทสะกับไม่มีโทสะ น, นี่พูดโมหะกับไม่มีโมหะนี่พู่หนึ่งนะจิตฟุ้งซ่านกับจิตโอดโอนี่พูดหนึ่งนะตัวแปดตัวเรียนเท่านี้สัพอนะนี่เบื้องต้นแล้วเราเรียนอยู่เท่านี้รู้สภาวะธรรมไม่ต้องรู้ตั้งเจ็ดสิบสองอะนะรู้ง่ายๆ เสร็จหรือว่าจะไม่สนใจอย่างนั้นก็ได้นะรู้ทางกายอันเดียวก็ได้ยืเนเดินนั่งนอนกู้ละเอยียดรู้ไปเรื่อยพอเราเผลอตัวเนี่ยพอเราขยับตัวปับ๊บสติมันเกิดเองะสติที่เกิดเองเนี่ยไม่มีน้ำหนักคุณหมอดูใจยังไม่มีน้ำหนักแต่สติที่ทําให้เกิดมีน้ำหนักเพราะเบื้องหลังของสติตัวนั้นคือโลภสติตัวนั้นเป็นตัวทุกข์นะอัตถะถาถึงสอนบอกสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์นั่นแหละตัวทุกข์ ในเบื้องหลังการกำหนดเพื่อที่ตัญหาอยากปฏิบัตินี่ทางกายเราก็หัดรู้ผู้เหยียดกระดูกระดิษ์หัดรู้ทางใจอะไรปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราหัดรู้วิธีหัดรู้สภาวะที่หลากหลายก็คือให้เราชําเลืองดูใจของเราเป็นระยะระยะเนี่ยอย่าจ้องการจ้องเนี่ยไม่ใช่การตามรู้การจ้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาด พลาดมาสี่ปีแล้วนะคือการจ้องเราไว้ก่อนนะวิธีหัดสังเกตสภาวะก็คือนะอย่างขณะนีนะ้นั่งๆอยู่นี้เรานึกถึงตัวเองที่ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่นะอย่างคุณเฉลิมพงคนะ์เนี่ยน เ, เนี่ยขณะตะเกียร์ทำอะไรนะจิตมันไปทำอะไรไม่ใช่ร่างกายนะ เพร่างกายเนะี่ยดูง่ายยืนเดินนั่งนอนอะไรก็รู้นะนี่หัดดูทางใจชำเลืองเป็นระยะระยะคล้ายๆสปอตเช็คมันเนี่ยคุณหมอไปคิดใช่ไหมแวะไปคิดถ้เราหัดรู้ต่อไปนี้พอเราชํานี้ชํานาญเนี่ยพอจิตแอบไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองสติที่เกิดเองจะไม่มีน้ําหนักเราไม่ได้ไปควบคุมบังคับเอาไว้ของคุณหมอคอยดูตรงนี้ก็แล้วกัน ก็สติที่เราสร้างขึ้นมากับสติที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยก็มีเหตุปัจจัยสมควรนะไม่เหมือนกันวิธีการง่ายๆก็คือหัดตามรู้ไปนะอยู่อะไรปราปดจิตใจเราแอบไปทำอะไรคอยตามรู้เป็นระยะระยะไม่ใช่จ้องไว้ก่อนเลือกายานุปัสนาตามรู้กายไป มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปทําขึ้นมาทําขึ้นมาเป็นอุบายนะอุบายเพื่อจะให้เราหัดรู้สภาวะเช่นตุบาจันทาเนี่ยให้จะรู้ความเคลื่อนไหวการหยุดการไหวการหยุดการไหวพอเราไหวปั๊บกำลังเผลออยู่เกิดไหวตัวรับสติเกิดเองเนี่ยเลบรรลุวัตถุประสงค์แต่ถ้าเราเกาะแน่นไปเกาะไปคลนะ้ายๆเราจะหัดว่ายน้ำแบบมีห่วงอย่างอยู่วันหนึ่ง เราเกะห่วงยางนี้จนว่ายน้ําเป็นแล้วก็ไม่เลิกเกาะแต่ห่วงยางนั้นน่ะเป็นเครื่องผลุนพลังเมื่อเราหัดรู้สภาวะได้ทาความเข้าใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางกายทางใจเราได้แล้วนะก็ดูไปเลยอันไหนปรากฏเด่นชัดก็รู้อันนั้นน่ะไม่มีอะไรจะรู้กับมาลุกกายนะเพราะเราเคยทํากายมาลูกกายไหย ตาเห็นรู้จิตไปทํางานต่างตาถ้าเรารู้ทันก็ดีถ้าไม่ทันไม่เป็นไรเราไม่ทันมันก็เกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เราค่อยไปรู้ทันตอนนั้นก็ยังทันค่อยหัดเบื้องต้นเราก็จะรู้อารมณ์ต่างๆเช่นสุขทุกข์ดีชั่วผ่านเข้ามาเราก็รู้จักเราไปเพ่งไวเรารู้จักเอาเพ่งเป็นอย่างนี้เผลอเป็นอย่างนี้คิดเป็นอย่างนี้น้อมใจเข้าหาความสงบเป็นอย่างงี้ อย่ารู้สภาวะที่หลากหลายขึ้นพออะไรปรากฏต้อไปสติเกิดเองเลยโยทำอะไรเห็นไหมโย Yo, ไม่ได้ทำอย่างที่บอกสักอย่างเดียวเลยเห็นไมโย Yo, นั่งดูเห็นไหมนั่งดูอย่างเอาเป็นเอาตายปฏิบัติธรรมนะอย่าทำแบบทหารที่อยู่ในบังเกอร์คอยดักญิงข่าสุดยี่งไปทำอย่างนั้น ทหารอยู่ในสนามรบนี่เผชิญหน้าฆ่าศึกนี่เกรงไปหมดเลยเนักปฏิบัติจะดูกิเลสแล้ว เ, เกรงไปทั้งตัวเลยนะเกรงทั้งกายทั้งใจไปไม่ได้นะต้องใจถึงนอนสบายๆเองมาแล้วข้าเห็นนะระหว่างการนั่งจ้อ ง, องจ้องอย่างนี้กับน้่งอย่างนี้นะพอมาแล้วเห็นไหมสบายต่างกัน อะไรปรากฏค่อยตามรู้ตามเห็นอย่าไปจ้องไว้ก่อนทำกี่รัฐดูออกไหม เ, เข้าใจหรือเปล่าเธอเป็นทธีเธอมันเคยติดคนที่ฝึกสมถะติดเป็นเรื่องประหลาดนะสมถะทำยากนะแต่เราชอบทำ มีปัสนาทำง่ายแต่เราไม่ทำเราไปคิดว่าวิปัสนายากอย่างถือศีลเนี่ยถือศีลง่ายนะเราก็ว่าถือศีลยากอย่างจะฆ่าคนเนี่ยไม่ฆ่าคนในง่ายกว่าอนกันจะฆ่าคนยากนะต้องวางแผนแล้วฆ่าเสร็จแล้วจะปกปิดยังไองอะไรนี้ยุ่งยากไม่ฆ่าง่ายกว่าไม่มีศีลสบายกว่าการปฏิบัติเนี่ยที่ง่ายเราก็ว่ายาก อย่างจิตของเราฟุ้งซ่านเราไปพยายามทําให้สงบอย่างพอฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านเนอหรือพุโทโธพุธโทโธอย่างหรือขยับมือใหญ่ให้ใหายฟุ้ง ข, ขยับให้เร็วๆนั่นเพื่อแก้อาการฟุ้งซ่านการแก้อาการทั้งหลายเนี่ยเป็นงานที่ต้องทํานะผลก็คือฟุ้งซ่านทําให้สงบจิตมีกิเลสทําให้มันไม่มีกิเลสทําให้มันดี จิตชั่วทําให้ดีนะจิดฟุ้งซ่านทําให้สงบพอดีแล้วสงบแล้วรักษาไม่มีงานที่ต้องทําเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากเนี่ยสมถะแต่วิปัสสนาง่ายกว่านั้นเยอะเลยฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะสงบรู้ว่าสงบง่ายกว่ากันเยอะแล้วก็ไม่ใช่จ้องเอาไว้ก่อนนะอาจารย์จ้องไว้ก่อนใจเราสงสัย สงสัยขึ้นมาเราก็รู้ว่าสงสัยนะมันสงสัยมันก็ไปคิดเอาอะไรเงี้ยเดีวก็รู้ทันไปเรื่อยๆรื่อยู้สบายสบายนะถ้าเรารู้สบายสบายได้จริงแมงรู้ได้ถูกจริงๆนะีข้างนอกข้างในเนี่ยเสมอกันเลยจิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสมอกันเลยนะไม่มีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนสักนิดเดียวแต่ถ้าจงใจทํำมันก็หนักหนักขึ้นมา ไงยโยสังเกตไหมข้างนอกไม่มีน้ำหนักแต่ข้างในหนักอึดเลยมาจากไหนคนนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเราขยับแมมเราเผลอเผลอแล้วก็แล้วไปเรารู้ตัวขั้นมาอ๋อเมื่อกี้เผลอ เ, เรารู้จักแล้วสภาวะความเผลอเป็นอย่างนี้เรานั่งนั่งเพ่งเพ่งเพงแต่ เกิดนึกขึ้นได้ให้ทำอะไรอยู่อ๋อเพ่งอยู่อ๋อรู้จักอีกสภาวะนึ่งนะอ๋อเพ่งมันเป็นอย่างนี้เองเอาจิตคอนเซนเทรตเข้าไปจะไปแช่อยู่ในอารมณ์มันเดี่ยวหัดรู้พอเรารู้สภาวะธรรมได้แม่นรู้สภาวะธรรมได้หลากหลายต่อไปสภาวะธรรมอะไรปรากฏนี่ยสติจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหมือบางครั้งอาจารย์อี่ธรรมบางท่านเนี่ยจะดุเลยอย่าปฏิบัตินะ ไม่ต้องปฏิบัติเรียนให้เข้าใจก่อนฟังให้รู้เรื่องก่อนเนี่ยอาจารย์สุจินทร์ครับผู้หญิงหลายท่านเลยสอนอย่างนี้เรียนก่อนจิตเป็นยังไงเศรษฐกิจแต่ละตัวเป็นยังไงรูปแต่ละตัวเป็นยังไงหัดใหเรียนเรียนเรียนต่อไปพอความปวดโทสะเกิดขึ้นในใจแปบบ๊บก็อาการอย่างนี้โทสะนี่เนี่ยแต่เรียนอย่างนี้ช้าเรียนอย่างนี้ช้าเราพยายามสังเกตใจเราไป นะ ด, ดูดสังเกตไปสบายๆต้องสบายนะเพราะเราไม่ดักไว้ก่อนเราไม่ดักจิตไม่ห้ามจิตไม่กดข่มจิตไหนะมคุณจะเริ่มบพงเราเคลื่อนไหวเราลืมเหลือไปเหลือแล้วล่าว่าเหลืจบแล้วนะต่อนะไปอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจเพรารู้ไปรู้ไปตามธรรมดาอย่าจ้องไว้ก่อนแต่คําว่าไม่จ้องไว้ก่อนนี่ยากที่สุดในในการลงมือทํา เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลคือคำตอบที่ว่าทำไมคนที่ไม่เคยปฏิบัติเนะ่ํทำง่ายคนที่เคยฝึกฝนนะยิ่งฝึกสมาธิมานี่จเจริญสติยากมากเพราะว่าเราพร้อมที่จะไปจ้องไว้ก่อนเห็นไหมจิตเราไปทางตาเห็นไหม เนี่ยมันวิ่งไปต่างๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองลองนึกสภาวะตะกี้เนี่ยแต่จิตหลงต่างๆมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปพอเราชํานาญเราจำสภาวะหลงต่างๆได้แม่นพอหลงต่างๆรู้สึกเลยรู้สึกที่หนักสนมัสติปัฏฐาน4ี่นี่เบื้องต้นท่านสอนให้ทํามันเดียวนะทำมันเดียวเพื่อหัดดูสภาวะไป ถ้าทำหลายอันเดี๋ยวดูสภาวะไม่ไหวแต่พวกเราฝึกมาถึงระดับนี้เนี่ยจิตจะท่องเที่ยวอยู่ในปัจฐานสี่นะเขาจะรู้อะไรก็ช่างก็เถอะรู้แล้วเรามีสติไว้ก็แล้วกันนะเช่นเราพยักหน้าปุ๊รู้สึกตัวนะใจเราสมุนมามองหน้าตมาปุ๊บจิตวิ่งมาเที่ยวตมาปุ๊บรู้ทันนะนั่งอยู่นั่งสบายๆอยู่รู้กายรู้รูปนั่งแต่เนีนะ่ย นั่งๆเมื่อยขึ้นมารู้เมื่อยนะทีแรกก็เห็นกายเป็นของถูกรู้กายไม่ใช่ตัวเราความเมื่อยเกิดความเมื่อยก็ของถูกรู้ความเมื่อยไม่ใช่ตัวเราเมื่อยมากๆแล้วลำคาหญหงุดหงิดหงุดหงิดก็ถูกรู้หงุดหงิดก็ไม่ใช่ตัวเราทีจิตท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐา น, นเวียนไปทุกอันแสดงธรรมะอย่างเดียวกันหมดเลย แสดงความเป็นไตรลักษณ์ความไม่ใช่ตัวเราความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้นี่พอเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ว่าหนึ่งใจยอมรับข้อเท็จจรงิงใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นคือการเห็นธรรมความทุกข์มันเกิดจากกิเลสตัณหานะเกิดจากความอยาก ความอยากมันเกิดจากไหนเกิดจากการที่เราไม่รู้ความจริงของขันห้าของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่าของเราเราเลยไปถือไว้นี้วิธีที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามันเป็นของเราก็คือคอยละเลิกรู้ไปคอยตามรู้ตามเห็นไปอย่างจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งทางหูนะเดี๋ยววิ่งทางใจบังคับเขาไม่ได้ อย่างนั่งฟังอาจรมารใช่ไหมคุณจะลำโพงดวออกไหเดี๋ยวก็วิ่งทางตาเดี๋ยวก็มาทางหูทางตาขณะเดียวแวบจมองหน้าอามาแวบเดียวแ ล, ล้วรูปของอาจาก็เบลอละพอเรามาตั้งใจฟังเราได้ยินเสียงเราฟังปับ๊บเอาไปคิดต่อเอาไปทํางานทางใจใช่ไจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกเราบังคับเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าบังคับว่าให้อยู่ทวารในทวาร น, นึงเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ย พยายามฝึกเพื่อควบคุมบังคับจิตใจมิปั ส, สนาไม่มบังคับฉะนั้นสมถะยิ่งทาไปแล้วอัตตาก็ยิ่งแรงอย่างที่พวกฮินดูเขาทำเฝึกไปฝึกไปเกิดอัตมามันอัตมมันคืออัตตาตายแล้วอัตตาก็รวมเข้ากับบรมมอัตตาปัลลามาตมันไปเป็นปลง เหมือชาพุทธเราทำนิพพานาเราเห็นร่างกายนี้บังคับไม่ได้เช่นเขาต้องกระตุกกระดิกเขาหายใจเข้าแล้วเขาต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้ทานอาหารไปก็ต้องถ่ายออกห้ามไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวไม่ทานก็ไปก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่กระตุกกระดิกไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนอะไรก็ไม่ได้อยู่ยิ่งยากคนเดียวก็ไม่ไหวร่างกายทนไม่ได้ จิตใจก็เหมือนกันมีอารมณ์ไหลเข้ า, หาออไหลออกตลอดเวลาบังคับไม่ได้อย่างเราจะบังคับบอกว่าให้จิตรู้แต่อารมณ์ที่ดีรู้แต่ความสุขก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ในการที่เราเฝ้ารู้เฝ้าตามรู้ไปเรื่อยในที่สุดเราเห็นความจริงแต่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่ธรรมชาติ มีเหตุก็เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายอย่างรูปนั่งเลนั่งนั่งอยู่ชั่วคราวยังมีเหตุต้องนั่งเอาไปเดี๋ยวจะไปทานข้าวมีเหตุอันใหม่ละรูปนั่งดับไปกลายเป็นรูปยืนรูปเดินเพราะฉะนั้นอย่างการที่เราตามรู้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะทําลายความเห็นผิดที่ว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนมันสวยมันงาม กำไรความเห็นผิดได้ก็กำายตัณหาในตัวาตัณหาความอยากมันเกิดจากความเห็นผิดวิธีแก้ความเห็นผิดก็คือเห็นถูกซะวิธีเห็นถูกก็คือเห็นมันเข้าไปตรงๆ ม, มันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งไม่ใช่สร้างมันขึ้นมาเป็นหมอ น, นึกออกมาอย่างที่เราหัดฝึกขยับเนี่ยไม่ใยๆเราสร้างสร้างตุ๊กตาขึ้นมาเรียนะ ทุกตาตัวนี้ทําไปเรื่อยๆบางท่านทุกตาแค่นี้ท่านบรรลุเลยถ้าเราทุกตาตัวนี้เราทําไปแล้วใจเราจังแข็งแข็งทึ่อๆนิ่งๆแต่ทุกตาตัวนี้ต้องปรับปรุงหน่อยนะดูของจริงไม่ใช่ดูตุกตาตาเห็นรูปจิตยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายรู้ทันใจคิดนึกดวงแต่ะเหนียวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันไปเรื่อยๆ ตามรู้ไปอย่าตักไว้ก่อนความพยายามของโยงงนะปิดกั้นตัวเองไว้นลยมันมีธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเคยพูดให้ฟังมั้งธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเรียกว่าปปันจะทำมีอยู่สามตัวตัวที่หนึ่งตัญหาอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้ธรรมะอยากโน้นอยากนีน้ มีความอยากก็เกิดการจะทําขึ้นมาแทนที่จะรู้ก็เริ่มทนะําำมีมีทิฏฐิมีความเห็นเจ้าความเห็นช่างวิเคราะห์ช่างวิจารณนะ์อะไรเกิดขึ้นในใจหน่อยคอยภาคคอยบรรยายคอยวิเคราะห์นะเสียเวลาอีอย่างนึงคือความถือตัวมานนะทําให้เนิ่นช้านะคุณหมอทําอะไรเมื่อกี้นี้ จิตมันไปทำอะไรนะรู้ทันว่าแวบไปดูข้างในตรงที่รู้ทันนะั้แะสติเกิดต่อไปตอนแรกเราไม่ทันใช่ไหมมันแวบไปก่อนพอถอยออกมาแล้วค่อยรู้ทีหลัง น, นี่เรียกตามรู้ต่อไปพอมันแวบสติเกิดเองเพราะมันเคยรู้จักแล้วว่าแวบเป็นอย่างนี้าการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายที่จะแตกหักกันเนี่ย ไม่มีเจตนาว่าจะทำหมวดไหนหรอกจิตมันเป็นยังไงมันไปรู้อะไรเข้าก็เอาอนนั้นแหละตอนนี้จิตไปทำอะไรจิตไปคิดทราบไหมยังไรลยังอยู่ในโลกของความคิดยังไม่หลุดออกมาทราบไหมยังไม่ลกความพยายามลื อ, ออกไหม <c oughs> นี่เราหัดรู้ลงไปนะ ต่อไปพอจิตเราเกิดพฤติกรรมอะไรเราเลยจะรู้ทันรู้โดยอัตโนมัติใช่ใช่แล้วตันหานะเขาเรียกว่าอะไรถูกไหมมีชื่อเพลาะมากเลยเรียกว่าธรรมะตันหานะมีชื่อเพลาะมากเลเป็นสันหาตัวที่หกเรียกว่าธรรมะตันหารูปตันหาความทยานอยากในรูปนะสัตตันหาความทยานอยากในเสียง ขันธตัญหาความทยานอยากในกลิ่นรัศตัญหาความทยานในรสผวดทพะตัญหาความทยานในการสัมผัสทางกายธรรมตัญหาความทยานอยากทางใจอยากปฏิบัติอยากค้นคว้าอยากพิจารณาอยากเพ่งอยากกำหนดอยากสารพัดอยากพูดสงสัยเกิดความสงสัยก็อยากคิดนี่ธรรมตัญหา ถ้าเราไม่ไม่ไปวาดภาพนิพพานว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่วิเศษตัดความรู้สึกอั น, นี้ทิ้งไปนิพพานเจออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลไกลไกลมากทําอีกหลายชาติถึงจะเจอตัดความรู้สึก น, นี้ทิ้งไปมาฟังพระพุทธเจ้าว่านิพพานคือความดับแห่งปัญหา ถ้าเมื่อไรเราเห็นปัญหาฝุดขึ้นในใจรู้เท่าทันนะปัญหาดับสลายไปนั่นก็เป็นนิโรธตัวหนึ่งนะ้ะเป็นนิโรธระดับหนึ่งนะเป็นนิโรธระดับที่สามในระดับที่สองนะี่นที่สองนิโรธระดับที่หนึ่งเนะี่ยคือข่มมันไว้ด้วยสมถนะนิโรธระดับที่สองเนะีนะ่ยคือเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเห็นมันเกิดขึ้นระดับไป ตรงที่มันดับไปนี่นิโรธเหมือนกันนิโรธระดับที่สามสี่คือขณะที่เกิดมากเกิดผลนะนิโรธตัวที่ห้าคือตัวนิพพานตอนตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราอยากนิพพานเนี่ยเราก็หัดรู้จักนิโรธไปทีละขณะทีละขณนะนิโรธคือความดับของปัญหาปัญหาที่เราใช้เรียนในการปฏิบัติเนี่ยนะก็ไม่ใช่ตัญหาสามตัว ไม่ใชการมาตัณหาพระว่าตัณหาวิภวตัณหาเราเรียนตัณหาหกตัวตัณหาในรูปจิตยานทางตาตัณหาในเสียงกลิ่นรสปุจจภพตัณหาทางใจเห็นไหมมีตัณหาทางใจวับทันทีที่ตัณหาดับแล้วก็สัมผัสนิโรธทีนึงนะความพ้นทุกเกิดขึ้นทันทีรู้สึกไหมขณะที่รู้ทันปั๊บลงไปเนี้ยใจโล่งหมดเลยไม่มีอะไรว่างเลยว่างจากความเป็นตัวตนในขณะนั้นเลย นี่พอเราคุ้นเคยจิตมันคุ้นเคยคุ้นเคยนะวันหนึ่งมันจะเห็นของที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเข้าเห็นเขาเ้าอีกอย่างการปฏิบัติถ้าเราสังเกตให้ดีนะคาสอนในการปฏิบัติส่วนมากโยเยียนอยู่ในเรื่องอายตนะหกตัวนะอย่างรูปเนี้ยรูปอภิธรรมยี่สิบแปดรูปแต่รูปในการปฏิบัติเราเรียนรูปหกตัวรูปที่รู้ด้วยตารูปที่ได้ยินด้วยหู กนะ็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดท พ, ธธพนะรูปที่รู้ด้วยใจอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนอรู้ด้วยใจนะรูปเราก็เรียนหกรูปรูปคูรูปเกศรู้ด้วยใจเนะวทนาเราก็เรียนเวทนาหกตัวก็ได้เนะวทนาไปเห็นอะไรเข้าแล้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นะนะ ไ, ได้ยินอันนี้แล้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมา ไปสัมผัสอันนี้ไปได้กลิ่นอย่างนี้นะใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาที่เฝ้าเรียนอยูนะ่เรียนอยู่ทางอายตนะทั้งหกนี่สัญญาไม่ต้องเรียนไปได้สัญญาเรียนยากนะตันหานะเราก็เรียนตันหาหกตัวนะ อ, อาจารย์ทําอะไรอาจารย์ นอะไรนะนี่ยจํำสภาวะนี้่งได้แล้วใช่ไหม <S <S มันก็จะนิ่งไม่นานเมื่อเราเกิดฉเฉลียวใจนี่มาเอ้านี่เพ่งไวลงไปแช่แล้วสติมันจะเกิดแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจถูกก่อนเนี่ยเราคิดว่าการแช่ไว้คือการปฏิบัติธรรมเราคิดว่าการลงไปนอนแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นการปฏิบัติธรรมเราจะนิยงยินดีมัน แต่ถ้าเรารู้ว่านั่นก็คือพบชาติหนึง่งก็จะไม่มียอมยินดีคุณหมอทำอะไรตอนนี้อะไรนะั้นรู้้ไปเรื่อยๆเนี่ยหัดหัดเรียนสภาวะไปเรื่อยๆนะยัยพี่ชาติชายเป็นไงคุนใครมาไหมมาครั้แรกกบมา เคยไปฝึกที่ไหนไหมเคยไปหัดปฏิบัติที่ไหนไหมธรรมะตามารรมะมาบาอาจารเราเรียนหนะลวงปู่ฟัน่นท่านสอนบอกว่าเราไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยนะ มันของข้างนอกค่อยมาวัดใจตัวเองนะอย่างเราสมมุติเราตัวเราไปเที่ยวตามวัดโ น, น้นวัดนี้ไปฟังธรรมะที่โ น, น้นที่นี้นะนั่นบอกมันของข้างนอกเราค่อยวัดใจตัวเองไหมนะค่อยสังเกตไปจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รูนะ้มันเป็นอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆคุณหมอทําอะไรเมื่อกี้นี้เนะีนะ่ยนี่คุณหมอหัดอย่างนี้นะ เบื้องต้นเนี่ยหัดอย่างเงี้ย ห, หัดเช็คเองเป็นระยะระยะเหมือนที่อาตมาเช็คเนี้ยแต่แทนที่จะต้องให้อาตมา ถ, ถามว่าคุณหมอทำอะไรเราอยู่อยู่สักพักเราชำเลืองนะคล้ายๆเราชำเลืองกลับมาดูตัวเองแอบไปคิดละหรือนะคอยชำเลืองตัวเองเป็นระยะระยะไปทำอะไรมือ่อใช่ไหม เนี่ยเราหัดเรียนนะเราเรียนได้หนึ่งตัวแล้ววันนี้เมือบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจําสภาวะทำความเมือได้ชัดเจนต่อไปพอเมือปุ๊บสติจะเกิดเองนะคือทําไมต้องพูดถึงตัวสภาวะนะอย่างพวกที่เขาเรียนอะพี่รำเนี่ยสายอาจารย์นะพี่รำจะสอนเลยอย่าเพิ่งปฏิบัติหัดเรียนเรื่องสภาวะก่อนนะเขาเรียนสภาวะอย่างพวกเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเราก็หัดดู สภาวะทางกายสภ า, สภาวะทางใจอะไรเกิดหัดดูหัดรู้ไปแลต่อไปสติเกิดเองสติทำขึ้นไม่ได้สติเกิดเองเพราะว่าสติเนี่ยมีการที่จิตมันจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคุณหมอทำอะไรเห็นไแมตรงนี้ไม่มีน้ำหนักจะไม่เหมือนกับตรงที่เราทำ ตรงนี้ทําอีกแล้วทำาหมนะพอทาปุ๊บเกิดทุกข์ขึ้นทันทีเลยเนะนี่ยขนาดนี้นะดีมากเลยนะเปลี่ยนได้เร็วจริงนั่นแหละนะนี่โรธตัวหนึ่งแหละนะปังเกตไหมไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสนะการที่จิตเราเห็นว่าปัญญาบันทันี้ตัดปั๊บลไป ปัญญามันทันเเพราะมีสติไปรู้รู้ความแปลกปลอมเช่นเราเผลอไปคิดสติทันไม่คิดสติมันจําสภาวะแปลกปลอมจิตเราจําได้ว่าเผลอเป็นอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นอย่างนี้พอมันคิดปุ๊บสติมันรู้ทันรู้ขึนะ้น่ะเราลึกได้ถึงสภาวะที่หลงไปคิดในขณะที่เราลึกได้ถึงสภาวะที่หลงไปคิดเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ จิตสักแต่รู้สักแต่เห็นอยู่จิตไม่หลงตามไม่เข้าไปแทรกแซงนะปัญญาจะเกิดเลยเห็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นมานะมันเกิดแล้วมันดับไปนะมันเกิดแล้วมันก็ดับเห็นดับวับวับวับต่อหน้าต่อตานะในตำรายเขาก็เรียกมีชื่อเพราะเรียกพังขยานนะเห็นมันดับปั๊บปั๊บวับไปเรืทันทีที่รู้สึ ก, ส ภ, กสภาวะก็ดับสภาวะกุศลนั่นดับเกิดสภาวะกุศลขึ้นมา ดังนั้นหน้าที่ของเรานะฝากไปทํากันบ้านก็คือหัดสังเกตสภาวะ ส, สะภาวะธรรมนะสังเกตสภาวะธรรมทางกายเช่นตอนนี้เรานั่งรู้ว่านั่งยืนเดินนั่งนอนรู้สึกจะขยับตัวเหลียวซ้ายแหลกขวาจะขยับไม้ขยับมือขยับเท้าคอยรู้สึกไว้แต่อย่าจ้องไว้ก่อน นะถ้าจ้องไว้กอดแล้วจะเริ่มนั่งแล้วนะเริ่มจะกระยับนะ้วห <Okay. S 1> า ง, งานทำแนละ้วนะมันไม่ใช่การฝึกสติทำอะไรนะยังทำอยู่สรางไหม <c oughs> แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> อย่าพยายามไม่ทำนะ <c oughs> พยายามไม่ทำคือทำ <c oughs> ทำอีกอย่าง รู้จริงๆเลยรู้สภาวะตรงที่มันเป็นมนะันไม่ทำอะไรเนี่ยนิโรธมันเกิดแล้วเป็นนิโรธตัวที่สองนะเ้าเรียกตะถังคณิโรธหรือตะทงควิมุตมเกิดด้วยปรัสนายดูทำอะไรไเียนไหนะ้ว่าตอนที่รู้สึกเนะี่ยไม่มีอะไรเลย แต่ตอนที่อยากจะพูดเนี่ยมีแล้วดังั้นรู้ให้ทันสภาวะนี้เปลี่ยนแปลงตลอดการังหลงอยู่ ถ, ถูกทักแล้วก็รู้ทันว่าหลงหลงที่รู้ทันว่าหลงเนี่ยไม่มีอะไรเลย น, นั่นคือสภาวะแห่งการรู้จริงๆเลยถ้าจากนั้นอยากพูดเกิดความอยากขึ้นมามจิตพลิกจากกุศลกลายเป็นอกุศลอีกอีกดวงหนึ่งแล้วงั้นถ้าเราจาสภาวะทาได้แม่นจำสภาวะทาได้หลากหลาย สติจะเกิดทียิบเลยนะโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดคุณหมอทำอะไรเหนะ็นไหมจงใจก็คือของปลอมกันหนะึ่งจงใจดูจงใจปฏิบัติก็ของปลอมนะเนี่ยเราหัดดูตัวสภาวะดัง น, ะนันการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องนั่งเถียงกับใครว่าสายไหนดีไม่มีสายหรอก พระพุทธเจ้าไม่มีสายหรอกมีว่าขนาดนี้มีสติหรือขนานี้ขาดสติเท่านั้นเองส่วนวิธีฝึกหัดเบื้องต้นเป็นอุบายของครูบาอาจารย์แต่ละสำนักนะอุบายไม่ไม่เร็วหรอกนะแต่ละอุบายก็ฝึกกันไปแต่ฝึกแล้วก็ต้องน้อมตัวเองเข้าหาหลักของพระพุทธเจ้าไวนะ้หลักของสติปัฏฐานท่านให้ตามรู้ไปอะไรเกิดขึ้นตามรู้ไปตามรู้กายเช่นตัวเรานั่งอยู่หรือว่านั่ง แต่อย่าจ้องนะนั่นจ้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะรู้กายไปรู้ใจไปนะจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เราจะเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะคุณหมอจะสงสัยว่าจะรู้ไปถึงไหนโสงแวบไปรู้ทันมาเพ่งอีกแล้ว เพ่งรู้ทันต้จงใจจะแก้เพ่งอะไรเงี้ยเดี่จะเกิดกุศลกอกุศลเนี่ยสลับทันทีนี่ไปเลยทมแล้วจะดูไปถึงเมื่อไหร่ดูไปจกนกระทั่งใจยอมรับความจริงนะว่าขันห้าไม่ใช่เราเช่นจิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลห้ามเขาไม่ได้ จิตนี้เดี๋ยวก็ไปเกิดทางตาเด<ม>ี๋ยว<า><ม>ไปเกิดทางหูจมูกลิ้นกาย<ม>เดี๋ยวไปเกิดทางใจห้ามก็ไม่ได้นี่เราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่าควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกไปจนกระทั่งบังคับได้เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ฝึกบังคับสมถนะนี่จะฝึกบังคับฝึกไปแล้วอัดตายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะจนเป็นบรมมอัดตาเปรมาตามัน คุณเรลิมพงศ์ทำอะไรนะนะเนีน่ยหัดสภาวะนะหัดรู้ไปท่านี้คุณเรลิมพง์เนี่ยเคยทำสมาธิมาก่อนก็นไม่ต้องทิ้งนะมันเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นกำลังสนับสนุนแต่ละวันแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรของเราก็าทำจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเคยทำยังไงก็ทำแต่ออกมาข้างนอกเนี่ยมารู้สึกหัหย เพราะว่าจะบอกว่าสมถะไม่ดีเนี่ยพูดไม่ได้เพนะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรจเจริญคือสมถะและวิปัสนาถึงพวกเราจะเดินในแนวของวิปัสนาญาณิกนะคือเฝ้ารู้สภ า, าวะไปเลยนะถ้าจิตเข้าพักในสมถะมันก็ได้กำลังเราจะไปปฏิเสธว่าใครทำสมถะแล้วผิดนั่นไม่ไดนะ้มันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนแข็งพระพุทธเจ้า เอาคุณสีวุฒิคุณอมราหาก็ยีนนั่งนะยืนยืนใจจงใจไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ได้ดูเป็นระยะระยะไปดูเรื่อยๆดูตลอดเวลาจงใจที่จะดูออกเออเนี่ยนะมันจะสร้างซ้อนไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นไม่ทําเรื่อยๆ นึกขึ้นได้ก็ดูไปนึกขึ้นได้ก็ดูไปนะต่อไปพอเราจําสภาวะได้แม่ น, มนจําได้มากเนี่ยมันไหววับรู้ปับรู้เลยนะนีงคุณเฉริมพงษ์ทำอะไรเนะีนะ่ยหัดรู้จักสภาวะนะเนะี่ยหัดสังเกตหัดดูอย่างเงี้ยเช็คตัวเองเป็นระยะระยะคล้ายๆเราชำระเงินมาดูตัวเองเป็นระยะระยะนะ ถ้าเราชําเรืองเป็นระยะระยะอยากชําเรืองตลอดนะชําเรืองตลอดเรียกว่าจ้องจ้องเราผิดเลยอ้าคุณชัดทพรพนลนะ่ะทำอะไรเนะื้อหานะเราหามาหลายอาทิตย์ละอาทิตย์นี้เราก็ยังหาอยู่เนะ <c oughs> น่ยเราหัดรู้สภาวะทนะันทีที่รู้ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว นะคุณหมอละคุณหมอทอําอีกแล้วรู้ไหมอะไรนะเไนี่ยนะไปคิดขนาดนี้ก็ยังทําอยู่ทำไหมอย่าหามันนะแค <c oughs> ่รู้สภาวะไปเฉยๆรู้สบายๆแต่ถ้ารู้แล้วโอ้มันติดแน่นเอาไม่ออกแล้วนะวิธีง่ายๆเลยหมอหันไปดูอะไรสักหน่อ ย, อ ย, อยจิตนี่มันรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวรู้ได้ทีละอย่าง จิตตัวนี้เกาะแน่นแล้วโอ้ยุ่งยากมากโยนเป็นทิ้งไปเหมือนเราเล่นหมากรุ ก, กหมาคอสอะไรตานี้เล่นยากมันก็ล้มกระดานมันนะมค่อยหัดดูสาภาวะไป ต, ต่อไปพอเราชํานาญเนื่องสาภาวะอะไรเกิดพรู้แล้วขาดรูดแด้แล้วขาดไปเลยเราจะเห็นการดับวับวัวไปเรืนะ่อยดูไปเรื่อยเห็นจะดับดับดับไปเรืนะ่อยประตูมากมากโอ้น่าเบื่อ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความดับปับป๊บปับป๊บปรู้ทันเห็นเปนความเบื่อเกิดขึ้นความเบื่อเป็นอารมณ์ทั้งมวนรู้ทันความเบื่อเข้าไปอีกนี่สดจิตก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อสังขารเราก็จะเห็นเลยอารมณ์ทุกอย่างนี่เกิดแล้วดับมีแล้วคงที่อยู่ไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้ใจก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางก็ปัญญาแล้ว สุดสายของการทําการปฏิบัติวิปัสนาของเราก็คือตรงที่ไปรู้สังขารแล้วก็ใจมันเป็นกลางนะมันเป็นกลางเพรามันไปเห็นใจรักเข้าเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยจุดนั้นสุดท้ายแล้วถัดจากนั้นจิตเดินเองแล้วถัดจากนั้นถ้าจิตมันดําเนินต่อมันมีอีกไม่กี่ขณะจิตจะรวมเข้าผวังก่นะอนไปขึ้นจากภวังนิดหนึ่งเลย ประกอบด้วยชนันึีนมาเลยเกิดเองเลยชันไม่ต้องฝึกอเราเล็กกันก่อนนะ